พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13าพระสูตรที่13จุลมาลุงกโยวาทสูตรสูตรว่าด้วยประธานโอวาสแก่พระมาลุงกยะสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามพระมาลุงกยาบุตรคิดว่าพระผู้มีพระภาคไม่ส่งตอบปัญหาเรื่องทิฏิสิบประการ มีเรื่องโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นเราไม่พอใจเลยถ้าส่งตอบปัญหาเราก็จะประพฤติปรมจันทร์ถ้าไม่ส่งตอบเราจะศึกเธอจึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคตามที่คิดนั้นตรัสถามว่าพระองค์เคยส่งชวนให้เธอมาบวชเพื่อจะตอบปัญหานี้หรือเธอเข้ามาบวช ก็พูดว่าจะบวชเพื่อให้เราตอบปัญหานี้หรือเมื่อเธอตอบว่าเปล่าทั้งสองประการจึงตรัสว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่ได้กล่าวว่ามุงตอบปัญหานี้เธอจะมาบอกคืนเอาแก่ใครเล่าผู้ใดกล่าวว่าจะไม่ประพฤติปรมจันถ้าเราไม่ตอบปัญหาเรื่องโลกเที่ยงเป็นต้นเราก็ไม่ตอบปัญหานั้นผู้นั้น ก็คงจะตายเปล่าครั้นแล้วตรัสเปรียบเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษญาติพี่น้องหาหมอผ่าตัดลูกศรมาก็ไม่ยอมให้ผ่าเอาลูกศร อ, ออกจนกว่าจะรู้ว่าผู้หญิงเป็นใครชื่อไรโคตรไรสูงต่ำหรือดำขาวอย่างไรอยู่บ้านไหนเมืองไหนธนูที่ใช้ยิงนั้น เป็นธนูแห่งคือหน้าไม้หรือเก่าทันและรายละเอียดอื่นอื่นอีกยืดยาวซึ่งก็คงจะตายเปล่าแล้วตรัสถามว่าเมื่อมีความเห็นว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นจะชื่อว่ามีการอยู่ประพฤติปรมจันท ร, ร์หรือไม่ปราบทูลว่าไม่มีตรัสต่อไปว่าเมื่อมีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วมีหรือไม่มี หรือมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ดังนี้ก็ยังคงมีความเกิดความแก่ความตายมีความเศร้าโศกพิไรรำพันทุกกายทุกใจและความขับแคนใจซึ่งเราบัญญัติให้ทาลายเสียในปัจจุบันรัสสรุปให้ทรงจำไว้ถึงสิ่งที่ไม่ทรงตอบและทรงตอบหรือพยากรณ์แล้วรัสชี้ไปถึงทิฏฐิสิบประการ มีเรื่องโลกเที่ยงเป็นต้นว่าไม่ส่งตอบเพราะไม่มีประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานส่วนเรื่องที่ส่งตอบคืออริยสัจสี่เพราะมีประโยชน์เป็นไปเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน